เรื่องเวชนดอนปริทัศน์ตอนที่หกโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยชัวร์ไปแล้วดิชูชกรือไม่ใช่คนงง ง, งตอนนี้ละมันเรื่องมันกลับตลาลบัดกันเมื่อก่อนนายพานเจตลาดกัดเขี้ยวกัดฟันขึ้นหน้าไม้โกงถ้าดูจะยิงหัวแล้วก็กลับมึงไฟสรรีวะท่านตอนนี้ชูชกกับทำใจดีสู้เสือ บอเอาหน้าลกสมีว่าจะยิงใคยตายแล้วเจ้าเป็นโทษนี่ว่าจะดีวะหูจักบดทูดไหนดีเพิ่นส่งมาว่าสังทายาบรมโมซีสนใจคิดถึงลูกเพิ่นให้คอยมา น, ำน้ำดี่ชูจักบอก่อหมายนายผ่านเจตแต่บทที่เอาหน้าลงทันทีเลยกลัวจะเป็นโทษใหญ่ตกใจคนป่าย่านขนนังชูชกมันเคยขอทานในบ้านในเมืองมันฉลาดวางมาดคนกรุงเลยเอากะ บ, บังกระแบกกันปะแตกบองออกมาเอากระดาษ ออกน้อยมาอย่อพ่อหนีเห็นว้บัาบางไม่บังสารเพื่อนให้คอยเขียนเพื่อนเขียนมาให้ข่อยส่งนี้ว่วะท่านผู้อื่ น, นเขาบอก่ามาได้เขาย่านตายปลา ด, ดงพงไผ่เม็นจะหาไผ่เถะต่างตาผู้วนานาดีจะคนกี่ย่านขนาน่าเนือปลาไผ่วะท่นานพระองค์จึงบัญชาให้หาห้าองต่างระเนทนเหตุหงค์เคยขุนแก่ น, นกพระองค์คู่นี่วะท่านคู่จะกระเพื่อสันดอนคุนเคยกันดีผู้อื่นเขาก็ย่าน ผมมีพละกามาในปา่านในดงเข้าจึงมาตัวเหตุจังใดตั้งเอาเป็นปงเสือมหาศาลศิลปศาสตร์ประบาทเจ้าเห็นแถตัดแต่เข้าดีแล้วว่าฉันว่าเขานี่เป็นผู้ฉลาดกูม้มูอมีศิลปศาสตร์ป็ระวาติเลยจึงได้ตกแต่งให้เป็นถูกผู้ตาเข้าจึงเคี้ยวผู้สูงเสือพระคุณข้าแจงมึงนี่จองห้องแถทะนงโตเกินเหตุจึงเนอะบอยาญยานกูเถอทอย่า ย, ายิ่งเดี แม้นกูนี่จะตัดหัวหิวเมื่อทุ่นเทวราชไผ่บ่มีอาจฟ้องกูเถ่าพอทุรีได้แล้วคูณน้าเอากฎหมายมากูกูจะตัดหัวมึงไปฟ้องมันไปเพิุผลบังหนึ่บ่มีผู้ใดมาฟ้องกูไหนเวรเสด็จวะยนายพาดเจตบุตรบาทกัวจนสั่นตะตะตะทอดเป็นนั้นว่าคืนนั้นต้องนอนด้วยกันมีอย่างก็ข้นมาให้ดูโชกกินเมื่อคนตายญาตินายอ่านหนังสือบอได้ในที่สุด ข่วงเนื้อเก่งเนื้อควางเนื้อทรายที่ในต่างๆขนมาให้ชูโชคกินหวยอย่างไวสิบมือเต็มหิง่งจีชูโชคฟาดเลี่ยม <c oughs> เป็นยังไงกินเล่นเล่นเมื่อสิบหิ่งแล้ยังบพอมีอีกใหมยย่ผันจังหวาดเด็กก็ไปอีกที <c oughs> ก่ตอนนี้นี่เองโอยชูโชคมันกินเก่งกินจิ้งเรื่องนี้นเป็นอย่างนี้ นายพันในที่สุดเช้ามาก็ขอโทษขออภัยโอ้ยยัยผู้คาบาดเด้อยัยผู้คาเป็นโทษเป็นไัเพราะว่าบุจากจักนั่นเจ้าสังหารข่ากูตายทั้งโคตรทอดบะมีตอกอยตายถิ่งเป้าดายแท่แล้ววะสักย่านไหลพ่านก็กลัวพิษแถลราชชาทำโทษข้าวในกูพ้นแล้วข้นเข่าเพ่งภาพอบแล้ววะสักขอโทษภามโอ้ยอย่าเอาเรื่องเอาเล่าในไปฟ้อง พระเจ้าแผ่นดิเนเด้อคนจะเอาข่อยไปขาวดึงข่อยพิดแล้วข่อยโบหัวล้านโบหูหอมเบื้องว่าปูเป็นหนัยเพราะจนได้บปะได้เอิบเพราปูเลยบัต <c oughs> <c oughs> ปูแล้วก็น่ากลับชูโชคดีแกฉลาด ร้านบูหูหอมเบื้องว่าปูเป็นนายถือซัน ต, ตาแอลไ พ, พ่พงดาวข้าวในร้านพิดเหลวขอยอมยังโทษขอให้ปูผลเหลียงร้านไว้อีเธอเดียวแน่นอนแต่คนบราณเตเจกิถ้าเลอย่าง น, งนี้มันก็พอจะฟังกันได้ดอกแต่มันนางานางนางหันหน้าปเป็นเทแต่ก่อนเมื่อนั่นเท่าหดวไทยตานต่อผ่านไผ่ปูนี่บ่อหอนถ้ำเว้นไผ่กอกำเมื่อนหนาขั้นว่าร้านยอมแพ้กลัวเก่งทั้งโทษปูผดเพียงน้อมแหลวสีบอ่อถ้ำ ว่าแต่การกูกลุงเต็มโตหน่งหยาก้อยล้านเพืวอสี่ทางเบื่อป่องไปเนี่ถอนบริษัท ผ, ผู้หนาผู้นี่บ้าโถดเอาให้ดอ๋อยบริษัทแต่ว่าการของปูในยังจะต้องเฝ้าไปบื่ออื่นเฝ้าแก่มคงตาเมื่อแล้วกินอันนั้นอันนี้อิ่มแล้วบอกท่างให้ปูเน้ปูถี่ไปวะฉั น, นเนี่ยกินข้าวกินป า, า, าชูชกเรียบร้อยพวกล้านหน่อยกระยานปูผู้เป็นนายฉัแล้วนายดีด้วกัน เ, นกกเลย หมอบเลยคานบอกไเบิดยังมาพอย่างเลี่ยงเกียวเพียยมามอิมแล้วก็ยังจัดตะเบียงให้นำเพิงนำมิดมีจะได้จัดไเบรดผ้าน่อมๆพอถทษคุณตาตะไว้มังสามังเมื่อยมาทูเพิงงมาทันนาเพิ่งนาเพิงปลาเนื้อละมั่งเนื้อกวางเนื้อกระทิ่งในบ้านเฮาเอินวางเมื่อยเมื่อยเม่ยข่าภาษาไทยวักรกริง นายพานเจตบุตรแกไปซื้อไปแกไปยิงไม่ใช่ไปซื้อข้าเอามาย่างเต็มไปหมดเลยมือเศราจินอิมเลยคะแตงไห้แล้วผ่านหน่อยหนอบหน่อมค อ, อถอดคุ้นตาถวายมังสามังเม่ยมาทูพึ่งมีตังคองสดแห่งผ่านไผเงียหมอบถวายปูเจ้าเสเบียงเขาเครื่องเทียนชูชกกับใบายไอ้หน้าโง่เปิดเลยอาลาดเลยผ่านไปชูชกเข้าจุลพลมหาพลแล้วเอาสองชั้นดักบดเลย จุลพลสามสิบห้าคาถามหาพลแปดสิบจุดมันพร้อมกันเลยรวดเราจะเร่งเครื่องสับปีตหน่อยให้มันจบกันไวๆในเรื่องกานคุณจุลพลในภานาทังนายพานเจตบุตรแล้วก็ได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ชูชกแล้วก็จัดน้ําพึ่งน้ํามิ้มพวกอาหารแห้งเนื้อลํามั่งเนื้อกระทิ่งอะไรที่ย่างเอาไว้เนื้อกวางเนื้อเกิง่งให้ชูชกแล้ว ในที่สุดก็ชี้ทางให้ชูชกชี้ทางที่จะไปเขาวงกฏว่าต้องผ่านเขาคันธรรมะเขาอันชันปลามะม่วงปลาตาลปลามะพร้าวปลาแป้งและปลาไม้ดอกโดยลําดับจนถึงอาสมของอาจุตาลือสีฟันเคลคันแล้วจงเวท ต, ตามทางที่จะไปเขาวงกฏเมื่อชูชกได้ฟังนายพานเจตบุตรแนแนวต่ตางกันแล้วก็กล่าวคําอําลานายพานเจตบตุตรเดินทางต่อไปมันจบเพียงแค่นี้จุลพล เราจะมาไล่นกไล่ไม้กันมั่ก้อยมันหลายแถ่แต่มีหมูนกเนืองเต่าในปลาตีนผาสังกาแกม้กมกอมตาดอมเป่าอันว่าเขา้าท้องตูขูห่หันไข่ฮีอยากเมียงไม้สูงอยใหม่เขีย น, นค้อนกู้กูกูกู้ไปแล้วต้องเล่นเสียงกันหน่อยดีสนุกหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดี ในที่สุดเดินนั่งเด็ช้าวันนั้นขึ้นไปน้นผ่านเขาคันธรรมาทผ่านเขาอันชันผ่านป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะเผ า, าบุบีผุดได้ปูกได้มอกเผ า, ามากตาลนี่มันเกิดเองในป่าถึงวันคำคอยคำเมาวันเสียงอุ่มลัวล่อไซแซลสุ่มเต่าสากุณาหล่นบินตอมเต็มป่าวะท่นนกอุมลัวนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันหมดไป ในกันจุนลพลในี้ไล่นกล่ะจ้าที่จวมในาน้าเป็นกวัวปินโรไปโรมาโนอกอย่างสูงย่างเป็นนกของไล่ไปถึงนอกอุ้มลัวพนนะอุ้มลัวรอไ่แซลสุ่มเต่าสากุณาหล่นบินตอมเต็มปานับบอถขวนแซนตือ้อจิงตรงเทว่วต่มันหลายแสนตือ้อไม่รู้เท่าไหร่แต่นะ า, าก็ยังไม่รู้ว่าแสนตื้อเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เข้าป่าใหญ่บพัพปงภูเขาใหญ่ อันวั า, านนพลนั่นเขาเขตบัพ ป, ปโตเป็นดอยหลวงดานพงไผ่กวงฟุงมูมีกนาเนือนอนนเน่าในเทือนอนันเนกล่นเสือสางมังเมยวันสันเป็นตา ย, ยายเท่เขาเนี่ยส่วนเขาอันชันนั้นผ่านจากเขาขันทธมา ก, ก็เขาอันชันมีควันกลุ่มอยู่ทั้งปีเหมือนเขาประเทศลาวทาั้งโนอนทางทางผาตั้งวงเวียงหรือว่าทางล่องแจ้งภูเพียประเทศลาวเรียกภูเพียแถวเนี้ย เมือ่อยู่ทั้งปีฝนเหมือนฝนตกแต่ก็ไม่ใช่ฝนมันดูดเขานี่ก็อยู่ในลักษณะนั้นพระพายตีตอไมีโค่ไหลลวงมั่วเมื่อกลุ่มควนเทาทางหินว่าสันไลขนาดนั้นมันเป็นอย่างนี้พอพานเนี่ยก็ไปสู่ป่าตานป่ามะพร้าวมันเกินเองไม่มีใครปลูกแล้วมันก็จบจนละผลก็เข้าสู่มหาผล มหาพนนิพนานาถชูชกเดินทางไปจนถึงอ จ, จุตเลือศีแล้วก็กล่าวมุสาขี่ตัวอ จ, จุตเลือศีให้หลงเชื่อให้พักนอนได้พักนอนคืนหนึ่งรุ่งเช้าขึ้นมาก็จึงนําชูชกไปยังต้นทางชี้คนทางให้ที่จะไปเขาวงก้อให้ฟังว่าภูเขาที่เห็นนั้นเรียกว่าเขาขันธรามนัต่อไปก็ถึงสามมุจลินและปลายมาพานโดยลําดับในปลาให้มาพานนั้นจะมีสตีิสาคัญคือราชสีสีจําพวกดินนะสีหาราชสีกินยาเป็นอาหารกาลสีห์บรรทุ สุลสีห์พวกนี้กินเนื้อเป็นอาหารแลวก็กินคนซับประชันไห้เป็นสัตว์ที่กินกินเนื้อคนและเนื้อสัตว์เป็นอาหารทั้งสามจะพวกนี้รูปร่างนี่ยคล้ายๆกันกันกบกับโคมีสีหมน่นมอดำและก็เหลืองเลือมแล้วลักษณะที่สี่ไก่สอนราชสีปลายหางและปากสีแดงตัวขาว ส่อยขอแดงมีลายผ่านกลางหลังสีแดงอาศัยอยู่ในถ้าต่อไปก็ถึงอาสมพเวสันดอนจูชกอําลาจุตะรือศีและเดินทางต่อไปพูดไวๆให้มันจบมหาผลมันจบเพียงแค่นี้แต่นในเรื่องมหาผลนี่ไหลต้นไม้ต้นไหลลายชาหนิดตุยสโกเถาเดินไปเห็นหลากมันก็เกิดหอดบานเมียหน่อยแต่ไห น, นที่แน่คิดถึงเมียเล้วเกินอีตอนนี้พูดไปถึงผีสางขังลายมีหลายอย่างพันก็ยกใหญ่ใหญ่ได้ระวัง คุณเข า, าสันสุลย์ญาเอียงคาแหล่งล่องใหม่ผียาว่ายของคนพ้องพองคา ง, งเสียงบางหลัวงสุ่มเสียสมัยดงดาเนื้ออเป็นระยะไห้ต่อเนี่ยเล่าไปถึงผีสร้างคางลายไอ้ผีกองไก่สมัยดงผียาว่ายเนี่ยความจริงเราได้ยินมานานแล้วอยู่ในกันนี้แหละอยู่ในกันมหาพนเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ควรจะปฏิเสธไอ้ทับปัญญาตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็จึงมี มันมีมันจึงมีเรื่องมีเลาวเล่าให้ฟังถ้หาท่านไม่เชื่อก่อนแล้วไปถ้าเชื่อก็อลองพิสูจน์ดูในปา่าในเขาที่มีป่าดิบดงดําต่างๆที่มีเขามี ม, มีมีรอยคนทับปอกหอยกินหลายๆเนี่ยนะตรงนั้นนําใหม่เนี่ยอาจจะเป็นซุ่มกองไกวสมัยดงผีเง่าไอ ห, ห้องขนพ้องเครื่องพ้องขางเสียงบางหลวงซุ่มเสือสมัยดงสะพูพร้อมพันพวกอันนั่นตั้งหน้าหน้ามีต่างแนวหน้าใหม่วเวชัน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 ก็เลยมอง ต, ตั้งแต่หัวจดเท้ายงเท้าจ้หน้ว่าเอไอตัวนี้มันมาจากไหนวะไม่เคยเห็นคิดว่าคงจะเป็นที่พระเจ้าเจตลาละได้มาสั่งเอาไว้อาจจะเป็นตัวนี้กว่าใดก็เลยทํามว่านิยมมาจากไหนจะไปไหนเนี่ยฮึยมเปราก็ว่าชูโจกเข้าไปกราบแล้วก็ท่านปูเจริญผู้มีอายุท่านยังคงสบายดีเลยหรือก็ผมจะไปเขากีริวงกนฮะพระเวทนั้นรอนว่า ง, งั้นพอพูดจบแค่นี้เอง จุดลือสีชี้หน้าอะ แ, แ, แ, แ, แม่์เมบ่ใไอพามเท่าหงคีนโหโชชัวช่วชาลือชนะระเวสันดอนไปอยู่ป่าดงปงไผ่บึงเสียดตามไปขอลูกขอเมียกูรู้ว่านั้นกูหูจากป่านยั่งว่านั้นนี่เป็นอย่างเนี้ย แต่ชูเช้า ก, ก็ยิ้มใจดีสู้เสือแล้วถึงลือสีจะด่าจะว่าแต่ก็ว่าไปกับผมในเป็นเพื่อนรักเพื่อนแพงกันละยานามิตรกายานธ ร, รมำกับเพเวศสันดอนไปมาหาสูกันเป็นประจำเมื่อก่อน น, นั้งแต่ท่านยังไม่ได้ไปจูเขาคีรีวงกนไม่ได้เห็นกันเดือนเดียวได้ทราบพขาว่า ไม่ได้เห็นกันมาหกเจ็ดเดือนนี่ได้ทราบข่าวว่าทาันใดไปบวชอยู่เขาคลีบงกตก็พอมัวคิดหอดคิดถึงก็เลยจะตามไปหาพูดกันถูก อ, อกถูกใจประเมาะข้อดีก็จะได้บวชด้วยกันตะเลยเป็นเลือสีเหมือนกันผ ม, ม, มก็ไม่มีลูกไม่มีเมียความมันชอบในสิ่งในทําอย่างนี้ว่าสั บาดท้อลือสีตกใจตาบอดถึงของห่างเห็นทองคำวาขีกลัวเท่าขีาข่หายขี่แถมันผู้มีบุญมีศิ้นมีธรรมตัวนี้เพื่อนขอททษชูชกชูโจกกระเทศให้ฟังกระผมนี้เปียบเหมือนแม่น้ำเพราะอยู่ในศิ้นในธรรมจใจล้มเปลี่ยนล้มไปด้วยความเมตตาปาเนียเวโลโหมีเป็นภูมิใหม่มีเวน ไม่มีภัยต่อใครทั้งน้ำกับผมเหมือนแม่น้ําคงคาเม้านาสร ะ, ะพัวจิรวัดีดมาฮีคนดีคนช่วนลงไปอาบเย็นช้ำเต่ากันนางงามจักรวาลขี่ถูนกุทั้งกว่าเย็นช้ำเต่ากันไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชั้งถ้าลือสีดาผมผ ม, ผมก็ไม่ได้โกรธได้แค้นเป็นลมเป็นแลนอากาศธาตุไปแล้วขอให้อใหญ่ถือเป็นโทษเป็นภัยท่านเองก็จะได้มน่นมองใจที่ได้ดาผมบัวเฮ้ยวาวจังสิลือสีอายพวอย่างหมดุดดินแกนหนีปาดคว้ามณฑ์เทศเก่งแท้ๆเขาเจ๊ เจ้าพายพวกกูตัวดิบกูด่าคนผิดเขอโทษเท่าไรชูเจ้าขอยิงเทศให้ฟังแง่มันเป็นอย่างนั้น ในกันนี่กันในคืนนั่นก็นเลยนอนด้วยกันอาจุตันลือซีไปห้าหัวบัวไปห้าพ่นหมากลากไม้มาพับมาสร้างลูกกาทอนคลองวานลูกมากเมาในป่าในดงลูกขนนุ่นมีม่วงยังกองไว้เอ๋ยบ่มีอยังต่อนเจ้าแล้ววะท่านพลเดอร์พ่มากลากไม้กองอยู่นั่นท่านหิวก็กินนั่นาน้ําอยู่ในกระออมในตุ่มเราไปตักมาจากฐานซอกเขาที่ไหลเย็นสนิทน้ําจืดสนิทจากซอกเขาร้อยท่านจงกินเถิดวะท่าน สูสกตักเอาตกอาตกเอาพ้นหมากหลากใหม่กองชุนพูนเม็ดตึบแหมจุติลือสีกื่นน้ำไลเอือกเอือกเอือปาดพว้ามันกินจังหดก็ดอกกระเทียเถียวอ่ะช <c oughs> ิดในใจแต่ไม้กล้าเอ่ยปากกินหมดแล้วลูกพ้องลูปปางมองหน้าบ้องหลัง เกือบจะถามว่า ม, ามีอีกไหมอาจจะตะรือสีก็ชี้ลงไปนู่นหัวบัวเง่าบัวเราถอนมาจากสะโบกกรณีใหม่ๆหมมีแต่หัวัวบัวปนอ้วนเขาขาวจูชกทักทีเทียลงไปใส่อีกแซ่ตึบอีกปัานท้อป่านเอากบุงตักกูกินเทปมือกบบเบนมันฝปกกินเนี่ยได้ไหมท่านเลยนอนด้วยกันนี่คือนั้นเช้ามานี่ก็ได้มาบอก คนทางให้แกให้แกชูจวั่วทางโ น, น้นทางไปผ่านเขากันหม่อมก็เข้าไปสะมุจลินแล้วก็ไปถึงสะโบกะรนีเขาหิมะพานแล้วก็ไปถึงเขาคีรีวงกฏอันว่าภ้ามาโนเถาเส้าแห้งปากเหนือยหน่อยหนึ่งดันเดินเขาเดินเขามันก็เนี้ยงเนี้ยงเจ้าจงใจจอมประเสริฐคือใครขออ่อนหน่อยสองเจ้าเชียงจอมวันไม่ได้ฟังเสียเลยได้พี่ก็รีบไปแล้วเป็นอย่างนั้นกันนี่ในวันนั้นนะ ชูชกเนี่ยเข้าไปถึงตอนเย็นเยนมันเดินป่าเดินไัยถ้าจะวาดไปแล้วขุ้นเขาลำเนาภัยปลาดิบดงดําหุบเขาป่าพงดวงดอนหน้าวาดกลัวมากเลยในการ น, นี้พูดไวหน้าฟังและกันหน้าหวาดกลัวฟังยิงเสียงไก่แก้วห่องคําขื่นคออันนี้นางนอนทําไม่ฮาสูฝฟุ้งมูอพี่โป่งป่าขี่นีบริษัทดวงดานสั่งสร้างหายทองเที่ยวทานเหนยอันบามก็เล็งเหลี้ยวตามระวงังคุณเขาสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่พี่ยวายห่องคุณพ่อง โค้งค้างเสียงบางหลวสุ่มเสือสมอยดงเป็นแต่ญาติขนาดดูกันนีแล้วถ้ามันบ่ญาติเมียเนี่จังได้มันกลับออกไปชูชกนี่พอเหตุ น, นั้นญาติโยมที่มาฟังเทศวิแต่ผู้หญิงทั้งนั้นมาจำศีลผู้ชายไม่ค่อยมีไม่ต้องกลัวถ้ายอมผู้หญิงมาแล้วยอมผู้ชายจะไปไหนเวเพราะว่าของดีนำแม่ออกคือกันกับชูชก เมียแท้แท้สั่งให้เข้าป่าเข้าเขาก็ยังไปเบังด้วมันเป็นจังนางง่ายว่าฟังในกันว่าเป็นแต่ยากมีหอดผีกองก่อยผีแหวมีทั้งเสือสางเต้นตันทังเที่ยวเที่ยนมัวเมิดใหม่ผ้ามเทานิ่งกลัวว่าฉันกลัวจังไเลยกลัวกันยังไปโย่คนขี้ขามกลัวตายย่านสันมันก็คืดเกี่ยวกับพระ อ, องค์เจ้าโนทำขันญายามได้ขนหัวลุกเป็นปุ๊ม เห็นเสือเห็นสางผ่านไปนบพาบุญคุณพระเวสสัดนดรแล้วก็นบพาคุณเมียสาธุทอนอมิตตานัางหน่อยเพี่อไอ้ประเดนนบพาเมียคนไดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชูโชคพอตกเวลากลางคืนกแขนอูนอนแต่ด้บาทไปถึงตอนเย็นเย็นตะวันกำลังจะตกดินหัวดีแท้แท่เอฟี่ว่าเอ๊ถ้าจะเข้าไปตอนนี้พัด เวทสันดอนก็ยังอยู่นางมัธย์ก็ยังอยู่ก็พอดีหู <S <S <ess> <d orn> เรื่องหูราบอไปหัวมันดีกว่าแขนอู่นอนทุกไก่จ่อเบิงมือเศ้านั่งไปเลวไปหาพักหาพักนางอ่างหย่าหาพ้นมาขากใหม่เพราเพื่อหัวมันเฝ้าไปเลยตอนเนี้ยเพราะว่าธรรมดาผู้หญิงนี่สิแพงลูกขนาดมามีผู้ใดจะให้ดอกละลสันควรกูนอนขึ้นข่างวันรุ่นแจงซองมาแล้วนางนาดเงาพระองค์เจ้าสูา่ไพ่กูก่อจักฝากลูกไว้ จอมพันหัวต้องศิลผู้มีหอมห่อทำสีทานหงีประชันเพราะว่าองค์กระ ส, สังพ่อที่งานล้นห ล, ลกไผผู้แข็ขงคังเสาข้อไดดังประสง์เทแล้วพาจิญญสีสอยทำท่านบริจาคแหลกเพียนแก้วอง์หล่ำนอพ่อประชันพู้ดีขนาดชุ่ยโคเป็นอย่างนี้ กูนี่ทุกข์หนักแค้นคอนอนากันดานคอได้สองกุมารสิ ด, ดวนไปวันหนีขั้นทางยั่งยูงยสาพระแม่มาถึงเมือ่อใดคว่มเครื่องคุ้นคุงมัวมีหิเห็นว่านางกระสตีได้สันดานดอมลหลอกคากอหุ่มสิขอได้จังได้มาถัดเด้อขึ้นมาเว้ยขึ้นไปเห็นแม่ร่้ปขอบ่ได้เว้ยมาถัดต้องมืออื่นี่จ่อไปข้อไว้ๆแล้วก็ไปเลยว่าสันความว่ามันทำแล้วขึ้นซูปลายเปื่อยพูเนาะโกยขึ้นจนเปื่อย คิดถึกจู่จู่เลยเป็นคนฉลาดไม่เนคนโง่เลยฉลาดพอวมานันกาวแล้วขึ้นสูปลายเปื่อยนแปลงสาขางานเนิ่นนอนหลีกยุติการกําซุยสโกเดินเทอนแต่แล้วจบลงเพียงแค่นี้มาหาพลหลังจากนั้นก็ขึ้นสู่กุมานกุมานนี่ก็มีสองบั่นอีกซะด้วยนะกุมานบันน่นต้นกุมานบั่นปลายรวมกันแล้วเป็นร้อยหนึ่ง เป็นร้อยหนึ่งคาถายอมจะจดโทมจดเทียนก็ได้ถ้าเราจะเทพด้วยความเร่งโสงก็เป็นอย่างนี้พลันนาถชูชกเข้าไปขอสองกุมารพักนอนที่ต้นไม้นางนําไปฝากฝังกับพระเวสสันดรและนางก็จึงเข้าไปหาผลไม้และหัวมันรุ่งเช้าชูชกเข้าไปขอสองกุมารพระเวสสันดรยินดีเจ้าข่แต่ขอเวลาให้นางมาทีขมาจากป่าก่อนชูชกไม่ยอม พระเวสสันดรขอร้องให้นําสองกุมารไปยังพระเจา้ากุงสีพีโจดเจิดตุดฮักกุงสีชนชายนู่นชูช้เจ้าก็ไม่ยอมเอาไปเหตุหนั้นเจ้านายบุเมนพอมเปนแม่หินแฮหบุเมนเงินเปนคําว่าฉันบ่นบนบต้องไปให้ก็ให้รถเป็นอย่างว่าฉันคันติมาขอพัดว่าให้คันว่าให้พัดว่าหาเมียซะก้อนโว้ยพระเวสสันดนรนาะว่าฉันนักบุญใจบาปจะให้ทานทัพญาเมียพัดว่าอะห้นี่ เธอไปเอามาเอาต่อรองถ้าเอาไปแล้วให้เอาไปทำกุุงสนไัยเดอ้อสิตธิราคาขาดตัวให้ชาลีทองคำหนักพันตำาลึงกันหาตรีราคาทางมาโค ผู้หญิงผู้ชายจะเป็นข้าทาสท า, าสีย่างละล้อยละล้อยกับทองคําหนักร้อยตำลึงและมอบทองกุมารให้เป็นทานแก่ชูชกเกิดมหาสันจแผ่นดินวาดวันไหวคนและสัตว์เทวดาอินพมอนุโมทนาซาธุการบุญทานบริจาคทั้งนั้นแหววัดฝันไหวเป็นอย่างนี้ส่วนในคืนนั้นที่ชูชกเข้าไปถึงไปแขวนอูนอนปลายเปลยนูน่นจนเอ๋อเอ๋อนุ่นนั้นปัญญาเสือกินหัวคนนั้นในคืนนั้นนางวิธีฝัน ฝันเนี่ยิยมฟังมานานแล้วจําได้หรือไม่ว่านางมาทีเคยฝันเนี่ยบแล้วเราไม่เคยไปถามฝันนางมาทีเพิ่นฝันเนี่ยได้เน่ยพเวทฝันเนี่ได้แน่ยฝันแต่ย่างคู่ว่าฝันเนี่ยบอขอน้อยฝันนี่ย่างบาดาตีถ้าอย่างนี้มันก็ไม่รู้อะไรเราจะเจริญกันในเส้นไใ้ธรรมในคืนนั้นนางมาทีฝันนางมัารีเนี่ยฝัน ฝันว่ามีผู้ชายร่างกายกำยำล่ำสันเหมือนยักปักหลันหน้าตาเฮโหน่ากลัวแยกเขี้ยวทำเมืองถึงหนุ่มหนุ่งผ้าตียวสีแดงผ้าแดงมัดหัวเสื้อไม่ใส่มือหนึ่งมือข้างขวานี่ถือดาบขาวว่าคมมันปราบเลยแล้วมือซ้ายก็ว่างขึ้นไปห้านางแล้วตีนกระเทือบ ป, ประตูทะลุไปแล้วเอามือซ้ายหน่จับผมนางกระชากดึงออกมาแล้วก็ เอามือของผมเลยพาออกนางแหวกเอาหัวใจมาควักเอาดวงตาของนางแล้วก็แหวกเอาหัวใจของนางไปขาดีนางตื่นขึ้นมาตกอกตกใจตัวสั่น ง, งันงกเลยในช่วงนี้เองในขนาดนั้นยังไม่สว่างดีความฝันอันมหศัศจรรย์ไม่เคยมีเนี่ยนางเป็นห่วงลูกตื่นมาตนเองร้องไห้แล้วก็ยังไม่ไหวปลอดลูกมองดูลูกทั้งสองซึ่งกําลังหลับสนิทยอยู่นี่แหลนะน้น้ําใจแม่อารมณ์ของแม่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 ในอกของนางเมื่อลูกนอนหลับแล้วนางได้ลุกขึ้นมาร้อยพวงมาลัยสวยงามซึ่งเป็นดอกไม้ที่ว่าเช้ามานี่ก็จะเอามาพวงมาลัยนี่เอามาใส่คอให้กันหารักสวยรักงามแต่งองค์ให้แก่ลูกแล้วก็ดอกไม้แสมเสียบผมเมื่ออาบน้าอาบทาให้ลูกแล้วก็จะแต่งอาหารให้ลูกก็จะไปจังหันเอาอาหารไปให้พระเวสสันดรแล้วตนเองจะกลับมากินก็จะเตรียมข้าวปลา ซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกๆวันแต่ในคืนนี้เมื่อนางร้อยพวงมาลัยเสร็จแล้วนางก็นอนในคืนนั้นก่อนที่จะหลับนั้นนางนอนหลับได้ยาก น, น, นานๆจะมีลมร้อนพัดฟูกมาถูกวรกายของนางร้อนเพราะเาเหมือนลมมาจากนรกนานๆก็จะมีลมเย็นพัดจะเยือกมาหน่อยแล้วก็กิ่งไม้ในป่าหักล่วงกล่าวหน้าวาวสพึงกลัวนางพลิกซ้ายพลิกขวา แล้วก็ลุกกลั ม, มองดูลูกก่อนลูกลำพึงลำพันธ์สมเพศเวทนาในชะตาชีวิตลูกเอ๋ยเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของเจ้าหนอเกิดมาในพระบรมมหาราชวังแต่แล้วต้องมาเจริญเติบโตอยู่ในปา่ากินเผือกกินมันกินผลไม้ลูกเอ๋ยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้า ถ้าจะเป็นความผิดก็เป็นความผิดที่เจ้ามาเกิดเป็นลูกของคนยากจนในยามนี้มันเป็นความผิดของแม่ของพ่อเจ้าซึ่งวาสนาอาภัพอับจนว่าแล้วก็ก้มลงจุ่มพิดลูก น, น้อยๆพาง น, น้ำตาอุ่นๆก็ไหลออกมาหยดใส่ลูกโดยนางไม่ได้ตั้งใจในคืนนั้นนางหลับด้วยความยากลาบากพลิกไปพลิกมาก็ซับกระายอย่างนั้นจน ค่อนลุ่งแล้วเสียงไก่ป่าขันเป็นทอดทดเสียงหมูวิหกโกกีลากาเวาชาติร้อมาจากบนยอดเขาขันธมาสเสียงดังแววที่ฟังไพเราะมากเสียงนกกระปูดไพรล้อมาจากริมสั์โบกลณีบ่งบอกถึง ราตรีการที่ค่อนสว่างแล้วนางได้ม้อยหลับไปเมืม่อม่วยหลับไปแล้วก็ภาวาตื่นขึ้นมาอีกลับได้นิดเดียวเป็นอย่างนี้แล้วก็ขนลุกขนพองขนหัวตัางกิ่งพ้องพันเหล่าว่ามันหนาวกับดาวหอนไม้ไข่บอดใส่การอันว่าจอมพนางกิ่งปานเป็นปางป่วยรับบัไดยตากระดังสมนมัว น, นั่นงกระสตีห่อนปานไฟเผาโจดลกนางแล้วแต่แข้งขวม เต่าไงายตายที่แล้วพ ญ, ญายามนอนย้าใกล้สิแจง น, นั่งสมอยมิงฝันในที่สุดนางก็หลับฝันฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่ๆกำยำล่าสันแล้วก็ใส่ผ้าแดงๆไม่มีเสือ้อน่าตาทะมึงถึงแยกเที่ยวมีดอกไม้แดงๆเน็บถัดมาที่โขถือดาบคมปราบขึ้นมาบนกระท่อมของนางแล้วก็กัด ยกเ้าขึ้นมากระทืบประตูกระชากค้มนางด้วยมือซ้ายเดึงออกมาแล้วก็ตัดแขนของนางควักเอาดวงตาแล้วก็พาแหวะเอาหัวใจที่เป็นอย่างเนี้น่าหวากรัวมากคนโบราณท่านที่เล่าไว้เป็นคำกรองของอีสานบ้านเราว่าฟันวา ม, ม่านวะโผสายเส้นฮีนาโคตเตอเติบดำดาหมอมหมู่ห้ามแอลพันผาเป็นเกียวเน็บเตียว ท้องพางโคพุ่งโหย่ปึงดังกายปุ่มเป่าเป็นปมเกินกากากาศสกแขแวขาวกาป่งหน้าอารวหูสองก่าสบาแดนเนบดอกใจโกรกกะแขงเข็มเป็นเสียงมือกํงเห่างดวงแสงใสปากมาบมาบเหลื่อมตามําเห่างแก่งทญญายานตีนตําต่องทวานเพ่พังแตกเออปากนัาํากําเหงางแหลนทั้งมือจับเก่าชดานั่งดึงแก่น้อยนาล่มลงเพืิน พูด ถ, ถึงตอนนี้ก็สงสารนางเหลือเกินเพราะว่าแม้แต่ในความฝันนั้นก็น่าหวาดสะทึงกลัวความฝันของนางนั้นฟันเั้นตัวชูชกทัดๆเลยนะ โยมนะความฝันตรงนี้ถ้าภาษาบาลเราเนี่ยันขิวเท่ห์เพาะั้นเพราะว่าในรูปร่างความฝันเราเห็นชัดเจนเลยมันมันไม่สงสารนางเลยมือจับเก่าสดาหนังดึงแก่หน่อยนะ่ะลมลงเพืินแอลยอมย่ อ, อมแล้วย่อมแล้วมันเบื่อแถมโกรธคาล่ามโยดตาวตัดขาดขิ้งข้างให้พะกรคั้าสายฟันศีนตัดขาดตัดศีนคาว่าศีนในภาษาลาวพวกเรานะ ตัดแขนสองข้างตัดตัวง่าวพาท่องสาวใสโพรพุ่งมันก็จบเอาได้หัวใจจอมหนาข้างเราควบกพาเนศหนาสองเบื้องแบ่งนน้โล่ฮิตหย่อยแดงดินล่มดันน่อยหนาจานยิ้วหายออกความในช่วงนี้นางร้องไห้จนออกเสียงเลยที่ท่านสาธุชนทั้งหลายเอยความฝันเช่นนี้บางคนเราก็อาจจะฝันได้นางนา น, นานลมร้อนพัดผ่ามานั่นคือความคิด อันเป็นพิษเป็นภัยอันเป็นอกุศลของชูชกทิศทางนางพรุ่งนี้แหละนะวันแห่งการจากลาวันแห่งความทุกข์จะมาถึงพรุ่งนี้เมื่อนางไปป่าแล้วเราจะรีบไปแล้วเทวดาก็ทนไม่ได้สังหอนให้นางรู้ว่านันว่าในเรื่องความฝันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยนายมที่เราฝันกันเนี่ยมีหลักความฝันว่ามันจะมีเหตุให้คนเราฝันนี้ถึงหกเจ็ดอย่างวาติโกสุปีนางปัสสติ ลมฝันเพราะลมกำเลิบลมกำเริบคือธาตลมมันไม่ดีเกาะฝันบางทีปิติโกสุปินังปสัสสติฝันเพราะดีกำเลิบบางทีเซมพิโกสุปินังปสัสสติฝันเพราะเสมหัด ก, กำเลเริบบางทีเทวทูปะสังหารโกสุปินังปสัสสติ ฝันพ่อเทพสังหอนเทวดาสงสารบางทีความทุกข์ความยากจะเกิดขึ้นสงสารก็เลยสังขอนฝันให้เรารู้บางทีสุโมทาจินาโกสุปินังปสติฝันจากประสบการณ์อันนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยความหลังครั้งอดีตจำได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบลูกเสียงต่างๆสะสมไว้ในความรู้สึกที่ราษาฝลังเรียว่าซับคอนเซสดสะท้อนเส ด, ส เ, ส ด, ส เ, สดเป็นจิตใต้สํานึกหลับไปแล้วก็เอามาฝันความคิดต่างๆที่คิดไว้ก่อฟ้าน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 ฝันเพราะบุญบาปที่เด้ทำไว้แต่ปางก่อนปรโกดเห็นเป็นความฝันอันนี้บางคนไม่เคยคิดเคยฝันเรื่อง เ, ล<บ>เหล็กเรื่องค้อยไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์แต่บุญบาปบุญกรรมเคยทำสัางทานะบรารมียามทุกยามอยากก็เลยบุญนั้นเข้ามาช่วยบุญบาปเป็นบุพภิมิตร สุภินังประสติฝันพ่อบุญบาปที่ได้ทำไว้ปรากฏฟันเทเหล็กเห็นห้วยไปซื้อมันกระทุกมีคนมาบอกอันนี้ว่าให้โยมประดับความรู้ประเฮียนนั่นไม่ต้องไปถามพระสองฆอง์เจ้าฝันที่ยังเนาะคนน้อย ห, หมูเจ้าก็ฝันเป็นทันตัวเป็นมาถามเป็นเหตุยังถ้าหากว่าเพิ่นอยู่วัดฝันคิวเจ้าก็ไปนอนวัดจำศีลทันแม่ถ้าหากว่านอนอยู่วัดตัวดำขาวนี่มันยังบอกคิว ผบวดจังฝันคิวเจ้าก บ, บวดเองทํเาเมบอมีผู้ใดห้ามตัวจะไปหาถามพระเลยเป็นอย่างนั้นพออย่างนั้นนางบทีนี้ฝันคิวแท้เพียงแต่ในฝันก็สงสารนางซะแล้วแล้วนางก็รีบไปปลูกพะเวสสันดรเตื่นขึ้นมาร้องไห้โฮอยู่คนเดียวแล้วก็ก้มลงจุ่มพิษลูกลูกนั้นยังไม่เตือนเพราะกําลังหลับนางก็รีบไปปลูกพะเวสสันดรไปเคาะประตูเรียกพะเวสสันดรได้ยินเสียงนึกว่าผีหรืออะไรเนาะมาเรียกดังเป็นเช้ามืด แต่ก็จำเสียงได้ความจริงกว่าจำได้ผัวกับเมียทำไมจะจำได้เสียงของเมียของผัวไม่ต้องจำกันได้อย่หว่าแต่เสียงเลยแมย้แต่กลิ่นยังจำกันได้นนยอมนอพอเหตุนั้นเองพ่อเหตุสันดอนทั้งแต่งเป็นเสอร์ทาไม่รู้เลยตะโคกไปบ่าใครใครมาข้อบรรจุร้องเรียกนางมาถีบอกวา่าหม่อมฉันเองมาถีผิดคะพอรู้อย่างนั้นก็บอกว่ามาทําไม ยังไม่สว่างเลยเธอลืมแล้วหรือเราได้สัญญากันไว้ว่าในเวลาขําคืนยามวิการนี้เราจะไม่ต้องมาพบกันดี่แหละหนอผู้หญิงเธอร่านรนเพราะสวา่างใช่ไหมทนไม่ได้จึงต้องมาปุกมาเล่ากันตั้งแต่ดึกแต่ดื่มหาเรื่องด่านางเข้าไปอีกนางนั้นก็บอกว่าสเสด็จพี่หม่อมฉันยังจําได้ทุกอย่าง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 เพราะว่าความฝันของนางนั้นบ่งบอกถึงความโชคดีของพระเวสสันดรว่าปัตนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะสร้างคนโพธิญาณเราจะต้องได้สร้างบารมีคือจะต้องให้ลูกเป็นฐานแน่แน่ยังไงก็ตามวันนี้แหละนะเราได้ได้สร้างคุณงามความดีแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกทรมานที่สุดสําหรับกันหาชาลีลูกของเราและมัทีผู้เป็นแม่เขาจะต้องผัดผ้าจากกันแน่นอนพระเวสสันดรคิด แล้วก็คิดอีกว่าเออนี่จริงแท้เราจะได้สร้างคนงานความดีโพ่อที่ยานหยอดเกี่ยวหวังผลสีหยอดถึงบาติีบอกว่าขมวะพระท า, าแลว้วคันหึ่งปองปะลามีโพ่อที่ย่านหยอก่อเติมแสนสังหวังประสงค์ดวงใสสพัพญูญ่านประเสริฐโลภละเวนขันตีตัง้งต่อท่านจบแล้วขั น, นจะทําน้าแจ่งจอมพระน่างเห็นหัวพักลุกหน่อยสีท่านใดจังใดพระเวสสันรรู้ทันทีว่าความฝันนั้น จะต้องมีคนมาขอกันหาชลีในวันนี้แน่ๆก็เลยโกหกไปนี่ตัวก็เป็นไรตัวคนถูกพอเราเขาตัวผู้เขาเขาวัดจําสินตัวแนวตนเองได้สร้างคุณงามความดีบางทีมันจําเป็นกดตัวตัวไม่เสียหายแต่ตนเองมันเป็นประโยชน์พระเวสนางก็เลยว่าควนกูสีพ่างได้ขอเดียงไข้เกินเหตุต้านกาวแก่นั่งไหายอุ่ใจสอบแล้วว่าันก็เลยแก้ฝันเลย แกฝันให้แกนางว่าอันบอกค่วมฝันนั่งเนี่ยสอบดีดาแม่งพี่ท่ในทำหน่ายใครพอข่ ว, วมฝันนั่งเนี่สอบดีดาแม่งมุ่งค้นแฉฝันดีดาสอบปันวาลา้านเองขอบอกของเขนให้สีบอมมี่น้องเอ้ยอันนี้หากแม่นขันถาน นอกทั้งสี่แปลปวนเคยเด็กข้องความซุกดูปางเป็นเจ้าข้าวฤๅมาตรตกดาวเดินดงทุกขะหมอดกินหมากใหม่ปางเขาคืนขมฟู้งมูเตวดาเจ้าสังหอในฟันหลากน่างยาตกขมายากเมื่อห่องอยู่เย็นพิชร้อนมาสั่นแก้ฟันทันทีเลยขันถาดมันแปลปวนเคยอยู่เย็นเป็นสุกมากินบนหมากหลักไม้ในป่าในเขาถาดมันแปลปวนมาสั่นมันก็เลยฟันไปทั่วปรเป็นย่างฟันดีที่สุดให้เจ้าฝ่าว่อสา ฟาดสาลูกเข้าสิตื่นเนี่ยขอนสิแจงแกหน่อยลูกเตือนบ่เห็นแม่ปัะติห้องสิสห์ไปมาที่เมื่อสเสดระวันหน่อยหนึ่งแจงแสงซองปลาขั้นท่อนสองกุ้ม่านเตือนมาเพี้ยนผอมขั้นว่าจอมกษัตริย์ตีไทยแต่น้อมน่มปอดม้ามอุ่มอ่อนหน่อยสรงหํานางเผาไปถึงนางก็ยังไม่เชื่อพระเวสันดร อ, อยู่ดีๆในความจริงนางบัดนี้นางสงหารใจอย่างไงยังไงคําทํานายนั้นไม่เชื่อคงจะต้องเป็น อาเพศเหตุผลใที่จะเกิดแก่เราและลูกเป็นแน่แท้นางสังหรอนอู่อย่างนี้ความจริงเทวดาท่านสังหอณ์ให้รู้แล้วนางก็เดินมาด้วยความขมขืน่นมาถึงก็ร้องไห้สะอื้นมองดูลูกลน้อยกำลังนอนกันโกลสั่นสะเทแอนนางมองดูแล้วเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้ให้ลูกผางก็ร้องไห้สะอื้นก้มลงจุมพิษลูกลูกเอ้ย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 พ่อแม่ร้องไห้ลูกก็ร้องด้วยในที่สุดเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ปอดลูกไว้ในอกอดไม่ได้ก็เผลอเล่าคาความฝันให้ลูกฟังลูกฟังแล้วก็ตื่นลึงแลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากนั้นนางก็ตั้งสติแต่งอกตั้งใจเอาลูกมากินนมลูกกันหาน้อยมากินนมส่วนชลีล้างหน้าล้างตาก็เตรียมพลหมากลากไม้ นางรักลูกของนางเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจเหมือนเมฆทุกๆคนหลักดูหากลูกเจ้าเสมอหน่วยตาตนแพงกุม่านพเนรเน่าในานาคำว่าถึงง้งยามเสายามง่ายไปป่าขาดบริแตกเขาแมนมันสาหาสที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวมันนั่นเองจึงบอกว่าถึงง้งย่มเสายามง่ายไปป่าขาดบริแตกเขาแมนมันนั่งหามาเลียงจอมทําทั้งลูก ตั้งหากถูกบ่นหน่อยพ่อหนุ่งหงากใจแท้แล้วตามความจริงแล้ววันนั้นนางไม่อยากจะจากลูกไปเลยแต่เป็นหน้าที่ของนางหน้าที่ของแม่หน้าที่ของเมียทึงเคยสัญญาไว้นางคิดถึงลูกเหมือนใจจะขาดเพราะความฝันเมื่อตอนจะค่อนรุ่งนี้เองมันปลุกเร้าหัวใจให้ระ ล, ลึกถึงเหตุการณ์นั้นเหมือนเหตุการณ์นั้นผ่านมาจกเหมือนเป็นเรื่องจริงๆอยู่อย่างนั้น นางก็เลยสั่งลูกอยู่ตลอดการว่าให้ลูกเนี่ยดูแลแล้วก็อย่าไปเล่นไกลๆจนคอยพากันเล่นห mm ิ hmm. ้มเสียนฟิงแดดลูกเอ้ยเจ้าอจะได้ดวนเดืดตีน้องบอแมแอนคอร์วันนี้เป็นวันพิเศษที่นางห่วงลูกมากที่สุดสั่งให้ชาลีว่าอย่าไปตีน้องนะไม่ดียังไงยังไงก็แม่กลัวที่สุดว่าจะไปรังแกน้องแม่เป็นห่วง ยังไม่พอก่อนจะจากไปยังไม่ไวายที่จะเล่าความฝันให้ลูกฟังคือห น, นีม่านดาเจ้าฟันแปรเป็นลากเด็กแม่ห่อนคือบาบอบานแม่แล้วแม่จึงไปเฝ้าเจาา้าปิตุลาถทำเนิ่เล่าความฝันให้ลูกฟังว่าไปให้พ่อทำนายให้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงลูกอยู่ดีนี้ผู้ทอนถ้วยว่าดีขายห่อนแต่ว่าม่านดานี่กลัวให้พ่วยเหตุเด็กครางแขนกลัวหยาดหมูมหันแม่แล้วมันอดไม่ได้เลย ที่จะเล่าให้ลูกฟังธรรมดาความขื่นขมระทรมทุกท่าได้พูดให้ใครสักคนฟังหนึ่งก็ยังพอให้ระบายออกไปได้ในลูกสุดที่รักในเล่าให้ฟังลูกจะรู้ความไม้อะไรหรือไม่ก็ตามแต่แม่ก็สบายใจได้เล่าให้เผื่อว่าลูกนั้นจะรับรู้และเอาไปคิดเอาไประวังเนื้อระวังตัวเข้ามาหน้ากาวแล้วนั่งฝากซองกษัตริย์ทุน ถ้ำยำนอพ่อไข่ตานขอพะกูหน้าหน่อยจอมถ้ำทั้งคูหายอยู่ไกลกินเจ้าพอแล่ได้ทนขอให้เสด็จพี่ได้รูแลลูกเต้าของเราอย่างใกล้ชิดอย่าให้ลูกไปไกลไปเล่น ไ, ไกลๆเพราะว่าหม่อมฉันเป็นห่วงเหลือเกิน เอาลูกไปฝางแล้วก็จะรีบไปหาวันนี้จะรีบไปและจะรีบมาความคิดของนางอย่างนี้สั่งผัวแล้วก็สั่งลูกสั่งลูกแล้วก็สั่งผัวหลายทีหลายทีแล้วนั่งเวียนว่นลกจิตเกียวแกวไปหนาพอหลังห่วงหน้าแล้วก็กังวนหลังจากไปแล้วไปไปตั้งเป็นเส้นแล้วก็กลับมาหาลูกอีกแล้วมาสั่งเพราะว่า ใจนางโลเลเป็นห่วงนางพญาเจา้าโลเลเลืมเพจเป็นปว ง, า ง, งาวปากง่วงอืวงงาปังตีนตดำต่องต่อน้ำในปา่าตาเมือกุ่มลงเบื้องบอนทา่าอันว่าเสียมก็เศร้าสาขอขาดลุดบาลงแล้วตาเบเแจยงซองกัมคาเมนมั่ตั้งหากกลางเพนหายกลายเป็นปังหยากร่างห น, นาดห่านใจสบัดอยู่เลิกแพ้แล้วนางรเ ล, ลึกถึงความฝันทิตใก้แปลปวนที่สุดเลย วันนั้นแล้วก็เป็นอาเพศเห็ดภัยพ่นหมากลากไม้ที่เคยตกดื่นไปหมดนั้นกลับหาไม่ได้ในตอนนี้เองตรงไหนเมื่อก่อนนางไปนางได้ยินเสียงนกร้องตรงไหนมากๆนางจะไปตรงไปที่นั่นเพราะนกมันรู้จักพลหมากลากไม้มันบินไปกินพลหมากอําผ้ามีม่วงหมากใหม่มากมีมากม่วงกล้วยป่าที่มันสุขหวนานหวานตรงไหน น, นกไพลมันรู้มันไปกินมันร้องกันเป็นมหมูนางจะไปตรงนั้น แต่วันนี้เสียงนกนั้นเงียบไม่มีเสียงนกอะไรร้องเลยอย่างในการโบราณวสัสตกูนะ้าอันวานกทั้งหลายก็บ่เพียนมาห้อง เป็นมูอบอบินมาห้องศาสตร์ู้มัวมามันไม่มารองมันเคยอยู่เคยกินตรงไหนมันไมมาวันนี้มีนําซ้าอากาศเ็มืดกลุ่มเป็นควันมองไปทั้งไหนเป็นควันเป็นหมอกมืดมน อ, นอนันธการในป่าผลหมากลากไม้ที่เคยสุกงอมที่เคยไปเอาเมื่อวานวันนี้ร่วงหล่นเน่าโรยตรงไหนที่เคยกําลังจะเป็นหมากสุก แต่วันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วผลไม้ก็ขาดแข็งนางก็หน้ามืดเดินไปเตะสดุดสุดต่อยียบน้ำในป่าตามืดกุ่มล้งหน้า ล, ล้งหลังทิศทางที่จะไปเพราะจิตใจของนางแปลกบวนเอาไปเอามาตะก้าก็หลุดจากบาขอที่จะไปเกาะตน้นเกาะเอาผลไม้ไม้คานอะไรล่วงหล่นหลดบามันยากเย็นเหลือเกินตอนนี้เองสูทก เมื่อเตือนขึ้นมาได้ยินเสียงกาว่าร้องจากในไพรพฤกจากยอดเขาแล้วก็เสียงนกกาปูดร้องออกมาเสียงไก่ป่าร้องเป็นทอดทอดชีว์อกเบิกปาตาโพงคิดถึงลูกคิดคิดถึงเมียอมิตาตาและใจเองก็เขินกระหายที่จะบกเข้าไปขอสองกุมารแต่ก็ยังคิดฝันตอนนี้นางคงยังไม่กลับอานางคงยังไม่ไปป่าขอให้นางไปป่าสะกกอดแล้วเราจึงจะเข้าไป ในความฉลาดของชูชกเมื่อนางเข้าป่าแล้วชูชกก็รีบไปทันทีเลยเดินไปทันทีเลยเดินไปเพื่อจะได้รีบรีบรีบซะจะได้ขอเอาอย่างเนี้ย ในที่สุดพระเวสสันดรท่านนั่นนงอยู่วันนี้ยิ้มแย้เมเมื่อนางมาถีไปแล้วก็ดูลูกสองคนเล่นงอมแงมงอมเงมโอ้ใจหนึ่งก็สงสารลูกเอ๋ยจะเป็นข่าวทุกข่าวยากแล้วหนอวันนี้เจ้าจะต้องปัดภาคจากพ่อแลแ้วไหมความทุกข์ปริเทวนาการต่างๆของจะเต็มอัดอันในหัวใจของเจ้าเจ้าไม่รู้หรอกว่าโพธอทยานนั้นยังไกลหนะักลูกเอ๋ยจงเป็นสะพานให้พ่อเถิด อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองพ่อเลยคิดไปก็ขออภัยอยู่ในใจวันนี้จะต้องทานแน่เวสันอไใ้ใจดีมากในวันนั้นยิ้มตลอดเพราะว่าจะได้ทำทานนะพระก็ใจดีหล่นโกศลแ ส, น, สนหลาเหมือนดังคนได้แกวมันนี่เข็มขาข้าม แล้วจังย่อประหัสสีซาลีใไขเหียกให้หลวงฮับปูเจ้าตาเถ่ายามถงลูกเอ้ยนุ่นเนี่ยตามาจากไหนเห็นไหมนุน่นมาเยี่ยมเราประมือชี้บอกลูกเห็นชูชกเดินมาแตกไปไปรีบไปลูกไปไปรับย่าม รับถงย่ามของตามาเยี่ยมแล้วเนี่ยลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เคยอบรมมาแต่เล็กแต่น้อยเมื่อนันซาลีเจ้ากันหาสองอ่อนและลัดตอนผ่ามเถ่าทีทาง้งแล้วจึงพาที่ตานคุณลุงคุณปูเจ้าอยู่บานใดแถบเทียวดงป่วยลุงเอ๋ยเจ้ามาจาับบ้านไหนหนอว่าลิ๊เจ้ามาเที่ยวป่าเทียวดงแล้วหลงทางไหนลุงแต่ก่อนไม่เคยเห็นมาที่นี่ลุงอยู่บ้านไหนลุงเจ้าลุงจ๋าแล้วก็วิ่งไปละ นี่ขอรับเลยบอาว่าอันประทถงของเจ้าเอามาล้านสีซอยตาแหงล่าล้านหน่อยสีซอยพายวหวอย่างเงียปากหวานเปราะว่าพ่อแม่เคยสักเคยสอนมาอย่างดีงามแต่ชูทกหาเป็นเช่นนั้นไหม ชูทกนี่เป็นนักจิตวิทยาสังคมใหม่ให้เด็กสองคนเนี่ยมันตั้งฉลาดเลือกเกินมันฉลาดแก่แดดเกินลมแท้ๆเลยตัวเล็กๆตีรู้จักพูดจะาพาทีขอรับขอตอนตาเดินมาเหนื่อยแม้ท่านเราเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยทายมัน คุณเคยอย่างนี้มันจะบอกจะสอนไม่ได้ต้องขู่มันเะก่อนให้มันหวาดกลัวตั้งแต่ต้นมือจึงจะสอนได้ว่าอย่างนี้ชูทมันเป็นอย่างนี้คือนักจิตวิทยาสังคมหนึ่งจะไปขอคนมามากเมื่อนั่นเถ่าหดหายคืงขู่ข้าแข็งเด็กเส้นส้นยาล้วนมากไปคว่ำประสงค์พามเถ่าหัวที่ต้องพาม กำฮาบแล้วขอได้จึงใสีกวว่าสันมันก็เลยลวงเถาถึงอาจอ ง, อจอง์ศิลบางคมทุ่นกาวกรทะแลนตานอันวตาผ้ามเถาเซนกลนคนฉลาดตลบห ล, หลอกหล่อล่มหลินวากระบวนจาท่างออกเสริมขวนเหลี่ยมนับหนึ่งแล้วผ้ามเถาฉลาดขอเจ้าเอยมีความฉลาดมากชูกชกด้ฉลาด สังเกตสังกาคนนี้จะต้องพูดอย่างนี้คนนี้จะต้องพูดอย่างนี้จึงจะขอเข้าได้นี่เดี๋ยกวก่อนนะจิตวิทยาสำคมเนื่องจากผีประสบการณ์ในการขอคนถนุ่มสาวกําลังจู๋จี๋กาลังลักกันหวานจอยอยู่ชูช็อกเกอรี่เข้าไปเลย <c oughs> เพื่อจะไปขอทานคนกําลังอยู่ในฤดูการแห่งความรักอยู่ในระหว่างความรักต่องการสแสดงแต่ความดีของตนเองให้กันเห็นฝ่ายชายก็อดทนเอาเงินมาทานฝ่ ย, ยิ่งก็เหมือนกัน ฉันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่านิสัยฉันนั้นอดทนต่อความใจเจือใจดำไม่ได้อดสองสารคนไม่ได้ไม่รู้มันเป็นไงฉันก็เหมือนกันนะอดสองสารไม่ได้ไม่รู้เป็นไงเนเอาความดีมาอวดกันในระหว่างรักแต่ชูชกชูโ ช, ช, โชไปขอกินมดมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น ในที่สุดก็จกมือไหว้และก็เล่าเหลืองบุญเหลืองกุศล่านปาธนาเพียรประโยชน์แล้วเป็นยังไงเดนนี่สบายดีไหมท่านยังคอยอยู่ในสิ้นในธรรมยังสบายดีในป่าในดงลุลื้อพี่สันแต่ผมนี่มาหาท่านก็เผิดกระมาสงเคขอบุญสงคอกุศลท่านอยู่ที่นี่เป็นยังไงพวกสัตวา์วาสิงพวกช้างลายเสือดุต่างๆไม่ทําลายท่านหรือ เอ็นี่พอเวสันดอนก็บอกว่าพอทนได้ชูชกนี่ยกจอพอเวสันดอนเป็นยกใหญ่เลยบอกว่าเหมือนนู่นละเหมือนน้ำในคงคามหาสมุทรใครมาหาก็เย็นยกย่องตะก่อนแล้วเจงขอแน่พูดดีนะชูชกนี่บอกว่าเห็นว่าทไทะถลงมกว่างสมุทรทอหาแห่งเมื่อนดังแป้วแม่น้ำทะเลกว่ว ง, งานงางยาว ไหลเรื่องหล่นถูกเมืนระดูการบ่ฮอนเบาบางบกขาดว่างแว่นเตือนฟุ้งโ ม, ม่บังก่อนแข่ปูปลากลุ่มกลมกับทงนาตลาดเจ้าในน้ำอยู่เย็นเจ๋อเอ้ยอนุสัตย์อยู่ไต้ลุมฝ่าคงเขตดเจ้ากว้านกอดีม่วนมาเมดคูโตเต็มเผิด อ, อาศัยน้ำทะเลลงกินอั บ, บก็บ่บ่ขาดแห้งยั่งหล่นดังเดิมทั้แล้วอันนี้เมื่อ น, นังองค์ตระงสังพ่อที่ญาตเยั่งหลอกคักพ่อขม คนแขนหัวขอปานี่เหลี่ยงทำท่านคนขาหมอดภัผููแขนกลางเสาขอได้ดังประสงค์แน่หย่องยานดีเด้ปานี่ตนเองพระจิคอ่ะนะขานี่โุกี่หนาขายเคลนขาดเล่นง่ายพรอเอย้ยฟุงมูพ่องสาซูนอยู่เดียวดูหายจึงได้จำเจดันเดินเขาเที่ยวเทียนมาแล้วทุกหนักเหนื่นตาเถ่าลุงเดียวพเอย้ยผู้ไปพูมากมาขอลูกเท่านั้น พว่หวังเพิงแกวลูกประเสริฐ ด, ดวงดีซื่อว่ามณีโท้ไซซองนเนอาเห็นแจ้งประทันบันนี้ค่ะจะข อ, อยังเจ้าบางอ่อนสอง อ, อ่อนเขาให้พระพอนเลี้ยงท่านถ่อยาขีนเดท้อนวันดเสนพระเวทฉันดอนก่ออะดีใจที่จะได้ให้ลูกบอกว่าฉันต้องการจะให้ยูเล่เพื่อสร้างบุญสร้างบรารมีว่าอย่างนี้แต่ว่า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 เหมือนดังเข้าจอแก้วดวงตาทั้งคู่ควักแผนเหนือในนาออกท่านนั่นแล้ววะสันเพราะว่าหักคอแก้วดวงประเสริฐโพธิญาหิ้งกว่าซองบุตรามื่นคือกองหล่นแต่ว่าเข้าจักพัดไม้ขานั่งพญาไปป่าขะนนั่งมาหอนแล้วตาเถ่าค่อยไปนันทอนคอให้นั่งเห็นหน า, หม า, น า, าโมทนาธาดลกนังก่งเป็นผู้เลี้ยงกินจั่วมามน่มทานเอ้ย อีกไหนตอนนี้พระเวสสันดรพูดดีนะน่าเห็นอกเห็นใจเบาหวานนางเป็นคนเลี้ยงมากินนมกินจุอะไรต่างๆรอหน่อยได้ไหมชูโชคบอกแห่พระเวสสันดรนักบุญแกบาปพอ เ, เราออกปากขอทานก็เอยจะให้แต่พอจะให้จริงๆผันยันยันเมียอยู่นาะปัตนาโพธิยานสังมัญญานเมียวสันสัตว์ใจยิ่งหนีบางเบา คือนุ่นว่าสัแนแล้วมิจะคิดแครบก่อยสีห้งหามควอันสัแนแล้วบวรธําท่านใดบุตตาบริจาคตั้งห้าหยาแถ่แสนหลานเลือกคนแท้เอ้ยว่าสันปุระมันเก่งขนาดนีด้ชูโชคดีมันฉลาดจริงๆ เ, เวสวยสะดอนไม่ไมันดักหน้านดักหลังมันอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจักให้ล่ออยู่ถาพระแม่ม่าถึงอันนี้เป็นร่างเข็กอไฟห้อมผ่อนการจะเสียสองกรรม มหาท่านทางประโยชน์ขั้นหักพระผลแล้วท่านหาสิด่วนไปกนแล้วว่าสันตมติมาธาไม่นิ่งมันจะได้ท่านจะเกลือเล้อวสันในขณะนั้นพระเวสสันดนพูดไปพูดมาก่อนนึกอีกต่อไปจะตีราคาข่างวดให้แต่ตีก่อนตอนองกันจิเอาไปตีไห้เฮ็ดยั้งเดียวหนิวสันตีไห่ตัววสัน ต, ตเดือเขามา่สื่อได้ ไปหอดูเขามาเสือดูเงินให้เจ้าค้าให้แพงๆได้ไม่จังได้กลุ่มข่าวพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอข่อยเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ยินข่าวว่าล้านมาจากนี้จะต้องใช้อำนาจบาดใหยกคับมาเลยมาให้ก็จะฆ่าเอาทั้งแผ่นดินนี่จะทำยังไงก็บอกว่าเราตีราคาให้ต้องให้ไทยจังนี้ถ้าจะให้ดีได้แล้วก็เอาไปหาปู่เขาหลดไปไดที่กลุ่มตูซีผีเชฟตุดอนนุ่นรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเลยได้ค่าได้ คุณมากตาท่านจะไทยคืนไหวเราจะไต่ให้แพงๆชูโชคเบาๆไว้เจ้านายบ่เป็นพอเป็นแม่หินแห่บ่เป็นเงินเป็นคำเสียเอาไปจูงไปเห็นอย่างทหารนี้ไปไกลๆเป็นอย่างเดียวเราจะขาดิมซ้ำมันไอ้กันดีท่านกระท่านรถเป็นอย่างว่าท่านเด็กน้อยสองคนเนี่ยฟังพระเวสสันดรโต้คาลมกันอยู่กับชูโชคก็รู้ทันทันทีเลยรู้ทันทันทีก็เลยพากันทวนกันหนีไปสันเมื่อนั้น ผ้านตอบตานไขาวาดจำใจมันบ่เห็นดีดอมกล่าวกลัวเกงั่นซื้อวักซั์นี่เตรียมใจจายยากจริงน้อ บ, เบ่เมนของรอเล่นล่วงลึงไาได้แท่แล้วเด็กสองคนนี่ฟังพามกับพเวทสันดอนโตตอบคาลมันยก็เลยท่วนกันหนีเลยรู้เท่าทันไวบ่เป็นการที่ตายดิแฟน เมื่อนัน้องอ่อนหน่อยหูวเรื่องคดีการบิดาหอมหอทําสิทานเจ้าให้แกตาพามเเถาอุจรไพ่พาดวนเดี๋ยวนี้ยังโบเห็นไมมเจ้าสิกินจู่แอวน่มแลยเนอะอันวันสองอ่อนหน่อยอยางซัน มัวกะหายไปสัญญาณหลายเลียวดูกันคอยข้านไปหลีบฮักเที่ยวใหม่ไปบังตัวตันปองน้องพี่เจ้าบังหลีพุมนาะสองก็พากันหลีกกลางดงคือทองเสนน้อหาบ่อนกัง่งบังเจ้าตั่งแต่แปลนมีแต่บอนเป็นแปลนหลีบบอนได้เฮก็เหมือนถูทุกใจเห็นสองพี่น้องก็จูงกันไปคานเข้าไปไปบังพุ่มไหนก็เหมือนชูทุกใจเห็นอันว่าสองอ่อนหน่อย ยใบบัวบังเกดโป๊กพ่อหเสียงเก่าปอติงทวนน้องลงสาเลยพาจึงดึงแขหนองลงสาเสือเหล่ท้อยหลังลงสูนา้าหันสนเสียงค้อยทวนน้องไปเถิดชาลีไปเถิดกันหาน้องรักเรารีบไปเถิดเราอยู่ในปาน่านี้อยู่ตรงไหนก็จะเห็นเราลงน้ําดีกว่าจูงน้องวิ่งไปไปถึงน้ํา บอกนี่น้องเราอยากเอาทางหน้าลงเดี๋ยวก็จะเห็นรอยเราหันหลังลงก็จะเห็นแต่รอยขึ้นไม่เห็นรอยลงก็พากันลงไปในน้ําเอาวารีบังอกบุษบงบักเก้าเอาแม่น้ําบางตัวเอาใบบัว บ, บังหัวเนี่ยเป็นอย่างนี้อันวัดสองอ่อนหน่อยใบบัวบังเกศโปะคอหม่มเสียนเก่าบอดีงเมนจักจามไอแถ่อดเอากันอยู่ยานพอเจ้าท่านแห่แก่ฟ้ามผ้ามฝูงโมูปึง ปีปืนหายก็โตตามสร้างผ้ากันยุดอยู่หนึ่งอัว น, น้ําฟังสะเทือนเจ้าเอ๋ยไปจูดในนั้นพวกปิงเนี่มันมากินเนื้ออ่อนๆลอยมากินเป็นฟุง้งอยู่ในกอบวัวสองพี่น้องก็ไม่กระดดกระเดกให้มันกินเลยน้องเอ๋ยการหาอยากกระดดกระเดกเดี๋ยวน้ํามันจะกับเพื่มเดี๋ยวน้ําจะกระเทือนเดี๋ยวพ่อจะเห็นเดี๋ยวชูชกจะมาตามอย่างเนี้ยสองพี่น้องก็อดกันอดทนเป็นที่กรรมสุดด้วย ดอมอ่อนสองออนถูกงากขอนเป็นหนาเวททนหะน้าเด็กสองคนนี้ได้รับความทุกข์มากหลาย ท, ทูกทบตัดพ่อเพเวสันดอนทันหน้าทันหลังเอาไปเอามาเห็นเด็กสองคนไม่เห็นเด็กสองคนนี่หนีซะแล้วก็เลยชี้หน้าพระเวสันดรดูสิผัว ก, กับเราครั้งแรกว่าจะให้พอจะให้จริงๆก็บอกว่ารอมีเพ่อบอกว่า จะให้ทานย่างย่านมือก็บอกว่าจะตีราคาให้ไปหาสีพีเชิดตุวดอนพอเราไม่ไปสีพีเชิดตุวดอนตอลอดตอเถียมวางกันอยู่กับปากวาดตาขยิบมีเล็มีไหนให้ลุกหนีดูสิไม่มีเลยพระเวสสันดรนนะักบุญใจบาปเป็นไงเราเชื่อไม่ได้เลยลือสีหลวงโลกอย่างนี้พระเวสสันดรได้อายมวนต้วนเลยเห็นไหมในที่สุดพระเวสสันดรก็บอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าอย่างนั้นเราจะไปตามมาให้ ชูทกบอว่าฉันจะไปเองดีกว่าไในที่สุดวิ่งไปตามหาทีนี่ก็ไม่เห็นเห็นแต่รอยขึ้นมาจากน้ําแล้วไม่เห็นมันลงมันขึ้นมาแล้วเนี่ยในที่สุดชูทกก็ต้องกลับมาจากเกาะเป็นอันว่าจอมหาไม่พบแต่เสร็จแล้วพระเวสสันดรเนี่ยก็ไปตามไปเห็นรอยลูกลงน้นําเลยก็รู้ทันทีเลยเพราะว่า ดูรอยอ่ะดูรอยพ่อเป็นนักป่าลูกเป็นนักป่ามันก็ย่อมรู้เชิงกันนั่นแหละวางกันนะ่ะนะเพราะว่าเห็นลอยนี่ก็รู้ลอยถอยหลังลงเพราะมันลงส้นหนักถ้ามันเดินขึ้นมามันก็ต้องมีลอยตีนปลายตีนหนักๆนี่พอ่อลูกแต่เลยเรียกให้ลูกขึ้นมาพัดเชงห้องเหยียบเอิญลูกอ่อนมาเมื่อพอถ้อนสองกุมานสาร้างอยู่เน่าในาน้ำ ม, มาเมื่อห้องเฮิร์นเข้าฝิ่งแดดลูกเอ้ย ผ้าหนองจมใสหนามอัวหยาดเหงื่กงูพอแล้ววาสั น, ม, น, น, น, นมีท้งปีงตัวหายห้อยขั้นสิเกิดตุ่มลูกเอ้ยมาพออุ่มเมื่อบานดูสบายลูกเอ้ยวะสันพูดดีพ่อก็หวังเพิงเจ้าสององคบุตตาเป็นหน้าว่าขี่ร้อยทะเล ก, กล่วมค้นซัตขวมย่อมมะนาเง่าวยดลูกะได้โกรธแขงแ ข, งขนเครื่องเถาทา น, ท, า น, น, นท้ามพอทอดความจริงพระเวสสันดรเนี่ย ท่านก็พูดดีส่วนลูกนั้นก็ไม่ใช่จะใจเจๆๆๆดิดแต่ใจดำได้ยินเสียงพ่อพูดเนี่มันอ่อนเหมือนกับที่พึ่งหล่นไฟเพราะว่าลูกที่ดีย่อมเชื่อฟังพ่อแม่ลูกที่ประเสริฐที่สุดคือลูกที่เชื่อฟังจะตกต่าและยำย่างลูกที่ประเสริฐต้องถือว่าลูกเชื่อฟังลูกที่จบปริญญาด็อกเตอร์พ่ออ่านหนังสือไม่ได้ยังไม่เชื่อว่าลูกประเสริฐเพียงแต่ถือว่าลูกเก่งกว่าพ่อแม่ถ้าหาลูกคนนั้นยังไม่เชื่อฟัง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 ได้ยินเสียงพ่อเรียกเท่านั้นก็พากันก้าวขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่อยากมาก็ต้องมาพอหักตังตอลูกแกนตนแหลกเปลี่ยนโพธิญาณิคอยสองบุตดายาเครื่อนพระไทยแขนซื้อวสงสันน่อันนี้จังจำจากลูกเอ๋ยบอนซุกอยู่ลว้วนเว้นของขอบเ่ิงพอแล้วในตอนนี้แทนที่พ่อจะเห็นใจลูกลูกก็เห็นใจพ่อน้ำตาหลัง่งน้ำตาไหลาล้อไห้ออกมา ไม่ใช่ร้องไห้เพราะปีงเกอกไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าอยู่ในน้ำห้อยขันแต่ร้องไห้เห็นใจพ่อเพราะว่าพ่อได้พูดออกมาแล้วต้องการให้ลูกนี้เป็นเรือเป็นแพเพื่อจะขี่ไปโพธิญาณอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณต้องการลูกนี้เป็นเครื่องมือลูกไม่ใจเจือใจดำเพราะเพราะว่าความปรารถนาของพ่อนั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งลูกควรจะต้องเป็นเครื่องมือให้พ่อเนี่ย เป็นอย่างนี้ขอให้ลูกแกนไถ่เห็นพอ่อย่ามพอ่อยไอเดเม่พ่อได้ย่านยอ่อสอยสู้ข้าวแกนไปตาสาั่งสัพพนยูเกือกกอลูกพม่าซอยยู่ย่อให้สีห่างไก่พอแล้วมาสักลูกนี่ร้องไห้เลยขึ้นมากาบตีนพ่อเลยนะลูกต้องขอโทษขออภัยให้พ่อลำบากความจริงพ่อเองก็น้ําตาหลั่งไหลเหมือนกันเพราะว่าสงสารลูกเหลือเกินที่จะพัดพากแต่สิ่งที่ปรารถนาที่สุดนั้น ก็คืออนุตรสัมมาสัมโพธิญาณมันเป็นอย่างนี้อันว่าภาพมโนเถาผีผู้กับเพกมาแล้วคันหาไตพ่อเจ้ามั่นสิเกี่ยวขากินพ่อเอ้ยว่าสันลกนี้บอกพอพอเอ้ยตาคนนี้ไม่ใช่คนเป็นผูเป็นผีนผนผมาจากภูเขาเป็นยักษ์เมื่อไก่พ่อแล้วมันคงจะกินลูกแน่เมื่อนันพิตาต่านทำหาหนองผีกันหาไปอยู่หลีไม่ห่องแห่งใดสมมาแต่ซารี่เท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 แต่เราควรจะมาพิจารณาว่า้าทางข้ามไปให้ผลเหมือนพระเวสสัดนดรลูกของพระเวสสัดนดรก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นภาคกโซโกเกสกีสบปานปืนซ้อนเสียบ สแล้วผิดพุงพุงหอนกอยไก่เกินกระหายอุกอังแข่งท่วมทางมโ น, โนในซึ่วโลกกี ก, กรรมหักจองเวรเวียนใสซองสีสอยสายใจเจ้าพอกวอยทุกหนึ่งมาบ่แล้วซองสัมตื่น ม, มาเลยเนอะอันว่าซองพี่น้องให้หอเฮียงกันฟูมไฟเส็กหมกตนตามแกมขนขี้หนาลืมตนตองโสงน้ำแเนหน่อยว่านไหวพอตอนน พ่อก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้เหมือนกันสะอื้นสะอื้นสงสารแต่จําเป็นจะต้องให้เป็นอย่างนี้ส่วนพระเวสสันดร น, นั้นก็อดไม่ไหวเหมือนกันโทษที่ซัดเจา้ากับสันเดดอมหลวงอดบวระน้าตาหยอยอย่างล่มแล้วจึงต่าน่อเจ้าปุตตลาดทั้งสองพอเอ้ยลูกจงพากันยื้ยืนอย่าว่อนเวียนไหายให้ลูกเศร้าสาบเนี่ยปิตาต่องตีเกณนขาดคาให้ลูกจําจือแจกไม้หมันอย่าลืมพอเดอ้อตีราคาลูก บอกว่าชาลีเนี่ยตีราคาทองพันช่างคำพันช่างถ้าใครอยมาไทยมาท้อนไปส่วนกันหาหนึ่งช้างร้อยตัวมาร้อยตัวทาสีทาสาคนชายหญิงชายอย่างละร้อยแหล่งเงินคำอย่างละร้อยช่างร้อยช่างตีราคาลูกสาวหมากที่สุดแล้วก็ให้ชู